การที่เก้าอธิกรณสมถะศัพท์นี้เป็นชื่อแห่งศิกขาบทหรือแห่งธรรมแปล ว, ว่าสำหรับระ ง, งับอธิกรมีเจ็ดประการเพิ่งรู้อธิกรก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทาเรียกว่าอาธิกรท่านแจกประเภทเป็นสี่คือวิวาท ได้แก่การเถียงกันปรารพระธรรมวินัยเรียกวิว า, าทิกร น, นี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิดความโจทย์หากันด้วยอาบัตเรียกอนุว า, าทิกร น, นี้จะต้องได้รับวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริงกิริยาที่ต้องอาบัตหรือถูกปรับอาบัตเรียก อาปัตตาที่ก่อนนี้จะต้องทําคืนคือทําให้พ้นโทษกิจธุราที่สงจะพึงทําเช่นให้อุปสมบทเรียกกิจจาที่ก่อนนี้จะต้องทําให้สําเร็จอันพระวินัยนั้นเดิมก็เป็นแต่จําทรงกันมาทั้งยังต้องการความอธิบายมาติกาคือภาษิตอันเป็นกระทู้ เป็นฐานะอยู่ที่ภิกษุทั้งหลายจะปรารพระธรรมวินัยแล้วมีความเห็นแผกกันและเกิดเถียงกันขึ้นอย่าว่าแต่ในการไกลเลยในบัดนี้เองก็ยังมีปัญหาปรารบกฎหมายบ้านเมืองอันนักกฎหมายเข้าใจต่างกันได้เหมือนกันนี้เป็นทางเกิดแห่งวิว า, าทิกรเมื่อวิว า, าทิกรเกิดขึ้นแล้วควรได้รับความชี้ขาดของท่านผู้รู้ว่ายางไรถูกยางไรผิด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 จึงจาเป็นจะต้องร่วมกันในแบบแผนอันเดียวอันหนึ่งพระธรรมวินัยจะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะพวกภิกษุประพฤติตามโดยเอื้อเฟื้อถ้ามีพวกอรชีไม่มีอายใจบาปลามกเข้ามาปนอยู่พวกนั้นย่อมทำให้เศร้าหมองจึงเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ประพฤติดีเมื่อรู้เห็นแล้วจะพึงว่ากล่าวตักเตือนส่วนตน หรือแม้โจทย์ขึ้นในถ้ำกลางสง์เพื่อแก้ความประพฤติเสียหรือกำจัดคนอลาชีเสียจากสง์ข้อนี้ก็เป็นฐานะอยู่ว่าภิกษุผู้ลามกจะได้ช่องหาความให้ภิกษุอื่นเหมือนกันเช่นเมติยาภิกษุและภูมิมาสการภิกษุได้แต่งนางเมติยาภิกษุณีให้ทูลฟ้องใส่ความท่านพระทัพพระมัลลบุตรต่อพระศาสดาชนั้น นี้เป็นทางเกิดแห่งอนุวาธาที่ก่อนเมื่ออนุวาธาที่ก่อนเกิดขึ้นแล้วคนที่รับวินิจฉัยของท่านผู้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงและทําตามธรรมไม่เช่นนั้นความรังเกียจจะพึงเป็นปณิสงเป็นเหตุแตกรราไม่ปรองดองเมื่อท่านผู้รู้ได้วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายคนฟังตามจะเอาตามความเห็นของตนไม่ได้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 นี้เป็นทางเกิดแห่งอาปัตตาธิกรอาปัตตาธิกรที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องทำคืนตามวิธีอันสำเร็จด้วยสง์หรือด้วยบุคคลไม่เช่นนั้นศิกขาบทก็ไม่สำเร็จประโยชน์มีไว้ก็เหมือนไม่มีทุกรูปจึงสมควรจะยอมทำคืนเมื่อต้องอาบัตเข้าแล้ว หพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะทรงมอบการปกครองคณะไว้แก่สงฆ์ไม่ปล่อยให้บุคคลเป็นอิสระจึงทรงพระอนุ ญ, ญาตให้สง์เป็นผู้ทมกิจนั้นๆอันเนื่องด้วยการปกครองคณะเป็นต้นว่ารับคนอุปสมบทดังกล่าวแล้วในเรื่องอุปสัมปทานี้เป็นทางเกิดแห่งกิจจาที่ก่อน กิจจาที่ก่อนนั้นเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้สำเร็จไม่เช่นนั้นการงานก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกจะอยู่เฉยๆด้วยไม่ทำอะไรเป็นไม่ได้เพียงแต่ทำไม่ทันสมัยคณะยังเสื่อมซามลงไปได้เหมือนกันภิกษุทุกรูปควรรู้สึกต่อหน้าที่อันนี้แล้วร่วมใจกันทำกิจทรงให้สำเร็จเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางข้อสาหรับระ ง, งับอธิกร ทั้งสอย่างนั้นไว้เรียกว่าอาธิกรณสมถะมีเจประการคือข้อหนึ่งสมุขวินันแปลว่าระเบียบอันจะพึงทาในที่พร้อมหน้าได้แก่กิริยาระ ง, งับอธิกรในที่พร้อมหน้าสงในที่พร้อมหน้าบุคคลในที่พร้อมหน้าวัตถุในที่พร้อมหน้าธรรมวิไน พร้อมหน้าสงฆ์คือภิกษุเข้าประชุมครบองค์กำหนดเป็นสงฆ์พร้อมหน้าบุคคล น, นั้นคือบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าวัตถุนั้นได้แก่ยกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นวินิจฉัยพร้อมหน้าธรรมวินัยนั้นได้แก่วินิจฉัยถูกโดยธรรมถูกโดยวินยัย ข้อสสติวินัยแปลว่าระเบียบยกเอาสติขึ้นเป็นหลักได้แก่กิริยาที่ทรงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อรั ง, งับอนุวาทาทิกรที่มีผู้โจทกท่านด้วยศีลวิบัติข้อสอมูลหาวินัย แล้วว่าระเบียบที่ให้แกภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วได้แกกิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมุติแกภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อระ ง, งับอนุวาทาที่ก่อนที่มีผู้โจทย์เธอด้วยความละเมิดที่เธอทำในเวลาเป็นบ้าถ้าชื่อนี้ไม่มีอ่านำคงแต่ว่ามูลหาวิายัย แปลว่าระเบียบที่ยังลงว่าเป็นบ้าจะสมเหตุสมผลข้อสี่ปติน ญ, ญาตะการณะแปลว่าทำตามรับได้แก่ปรับอาบัติตามปติน ญ, ญาของจำเลยผู้รับเป็นสัตว์คือยอมรับความจริงว่าผิดจริงการแสดงอาบัต ก็จัดว่ารมปติญญาท่านนับเข้าในข้อนี้ด้วยข้อหเยปุยยสิกาแปลว่าตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณวิธีนี้สำหรับใช้ในเมื่อความเห็นของคนทั้งหลายเป็นอันมากแตกต่างกันให้ฟังเอาข้างมาก ข้อกตัดสาปาปิยาสิกาแปลว่ากิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดในสมถะคันธกะคำผีจุลวัต์ท่านแสดงไว้เป็นวิธีเพิ่มโทษแก่ภิกษุผู้ประพฤติผิดอีกโสดหนึ่งจากความผิดเดิมเช่นเดียวกับคนทำความผิดหลายครั้งต้องรับโทษเพิ่มตามกฎหมายของบ้านเมือง แต่วิธีนี้ควรจะจัดไว้ในกรรมมะกขันธกะข้าพเจ้าเข้าใจว่าได้แก่กิริยาที่ตัดสินลงโทษแก่ผู้ผิดแม้ไม่รับเป็นสัตว์แต่พิจารณาสมจริงดังกล่าวไว้ในอนิยตตาสิกขาบทนั้นข้อ7ตินาวัฏารากาวิัน แปลว่าระเบียบดังกลบไว้ด้วยยาได้แก่กิริยาที่ให้พระนีประนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระสางหาความเดิมวิธีนี้สำหรับใช้ในเรื่องที่ยุ่งยากและเป็นเรื่องสำคัญอันจะเป็นเครื่องกระเทือนทั่วไปเช่นเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันเป็นตัวอย่าง ส ม, มุขาวิไนเป็นเครื่องระ ง, งับอาิกรได้ทุกอย่างสติวิไนอมูลหาวิไนตัสปาปิยาสิกาสามนี้เป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะอนุวาธาธิกรปติน ญ, ญาตากรณะตินาวัทารกะท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะอาปัตตาธิกร แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าใช้เป็นเครื่องระ ง, งับอนุวาธาทิกรด้วยก็ได้เยภุ ย, ย, ยศิกาใช้เป็นเครื่องระ ง, งับเฉพาะวิวาธาทิกรสิกขาบทที่แสดงมานี้มีจำนวน227มีพระพุทธานุญาตให้สวดในที่ชุมนุมสงฆ์ในวันอุโบสถทุกกึงเดือน รวมเข้าทั้งนั้นเรียกว่าพระปาติโมกถ้าเพลงบางประการเรียกว่าสิกขาบทมาในพระปาติโมก ค, ควรถือเป็นหลักพระวินัยหากจะติดขัดเพราะกาละเทศะอย่างไรก็ควรถืออยู่ในปริยายไม่ควรเลิกเสียทีเดียวไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรเป็นหลักหมู่อันตั้งอยู่ด้วยไม่มีหลัก ยอมไม่มั่นคงยั่งยืนข้าพเจ้าจึงขอแนะนำไว้อย่างนี้